ทำมนิยยเรื่องพุทธโอวาทก่อนปรินิพานจากบทประพันธ์ของอาจารย์วสินอินทศระคราเมื่อพระพุทธองค์ทรงปรงพระชนมาอยู่สังขาร พระพุทธองค์เสด็จมาถึงปาวาละเจดีประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงาคลึ้มต้นหนึ่งทรงตรัสกับพระอนตน์ว่าอานน์พระอบรมอิทิบาทสี่มาอย่างดีแล้วทําจนแจ่มแจ้งแล้วอย่างเรานี้ถ้าปลาถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกับหรือมากกว่านั้นก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้พระโลกนาคตัดร่างนี้ถึงสามครั้งแต่พระอนนก็คงเฉย ไม่ได้ทูลอะไรเลยความมิตกกังวลและความเศร้าของท่านมีมากเกินไปจึงปิดบางดวงปัญญาสมบูรณ์สิน้นความจงรักภักดีอย่างเหลือล้นที่ท่านมีต่อพระศาสดานั้นบางทีก็ทําให้ท่านลืมเฉลี้ยวใจถึงความประสงค์ของผู้ที่ท่านจงรักภักดีนั้นปล่อยโอกาสทองให้ล่วงไปอย่างน่าเสียดายเมื่อเห็นท่านนท์เฉยอยู่พระพทุองค์จึงตรัสวา่านนท์ เธอไปพักผ่อนใะบ้างเถิดเธอเหนื่อยมากแล้วแม้ตถาคตก็ตะจะพักผ่อนเหมือนกันพระอานนุ์ยึงหลีกไปพักผ่อนพระโค่นต้นไม้อีกต้นหนึ่งหน้าบัดนั้นท่าตถาคตเจ้าทรงรำพึงถึงอดีตการนานไกลซึ่งล่วงมาแล้วถึงสี่สิบห้าปีสมัยเมื่อพระองค์ปราศรู้ใหม่ๆทรงท้อพระทัยในการที่จะประกาศสัจธรรมเพราะเกรงว่าจะทรงเหนื่อยกล่าว แต่อาศัยพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์จึงตกลงพระไทยย่ำธรรมเพรีแต่ครานั้นพระองค์ทรงตั้งพระไทยไว้ว่าถ้าบริษัททั้งสี่คือพิกษุพิกษุนีอุบาสกอุบาศิกายังไม่เป็นปึกแผ่นมั่นคงยังไม่สามารถย่มหยีปรูปวาทะคือคำกล่าวจ่วงจาาร่วงเกินจากพาหิระัทธิที่จะพึงมีต่อพระพุทธธรรม คำสอนของพระองค์ยังไม่แพร่หลายเพียงพอตราบใดพระองค์ก็จะยังไม่ลิพานตราบนั้นก็แลแบับนี้ถ้าทำคำสอนของพระองค์แพร่หลายเพียงพอแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฉลาดสามารถพอที่จะดารงพรหมจรรย์สาสนว่ของพระองค์แล้วเป็นการสมควรที่พระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพานทรงดำริ ด, ดังนี้แล้ว จึงทรงปรงพระชนมาอยู่สังขารคือตั้งพระไทยแน่วแน่ว่าพระองค์จะปรินิพานในวันวิสาขาปูรณามีคือวันเพรนเดือนหอันว่าบุคคลผู้มีกําลังกรีศีลามหอมาแข่งทึบจากหน้าผาลงสู่สระย่อมก่อความกระเพื่อมสั่นสะเทือนแก่น้ําในสระนั้นฉันใดการปรงพระชนมาอยู่สังขารอธิษฐานพระไทยว่าจะปรินิพาน ของพระอนาวรานญาณก็ฉันนั้นก่อความวิปริตแปรปรวนแก่โลกกับาทั้งสิน้นมหาปัจพีมีอาการสัน่นสะเทือนเหมือนหลังสัตว์ที่เขาขึงไว้แล้วตีด้วยไม้ท่อนใหญ่ก็ปานกันรุกษาขาวั่นไว้ไกวแก่งร้วยแรงวายุโบกสะบัดใบอยู่พอสมควรแล้วนิ่งสงบมีอาการประหนึ่งว่าเศร้าโศกสลดในเหตุการณ์ครั้งนี้ เหมือนกุมารีน้อยกล้าครวญปริเทวานาการถึงมาดาผู้จะจากไปจนสรบหแน่นิ่งหน้าเบื้องบนท้องฟ้าสีครามกลายเป็นสีแดงเข้มหุดเสือลำแพนซึ่งไล้ได้เลือดสดปักษาชาตร้องระ ง, งมสนานไพรเหมือนจะประกาศว่าพระผู้ทรงมหากรุณากำลังจะจากไปในไม่ช้านี้พระอางนนท์ สังเกตเห็นความวิปริตแปรปรวนของโลกธาตุดังนี้จึงเข้าเฝ้าพระจอมโมนีทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญโลกธาตุวิปริตแปรปรวนผิดปกติไม่เคยมีไม่เคยเป็นได้เป็นแล้วเพราะเหตุอะไรหนอพระทศพลเจ้าตรัสว่าอานนนเอยอย่างนี้แหละคราใดาที่ตถาคตประสูติตรัรสรู้หมุนธรรมจักร องอายุสังขารและนิพพานครานั้นต้องจะมีเหตุการณ์วิปริตอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าหนนทราบว่าบัดนี้ท้าสถาคตเจ้ารงพระชนมาายุสังขารเสียแล้วความเสะเทือนใจและความว้าเหวประดังขึ้นมาจนอสุชนทาราไหลหลั่งสุดห้ามหักเพราะความรักเหลือประมาณที่ท่านยีในพระเจษฎาดาท่านหมอบลงที่พระบาทมูลนับถูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์อาศัยความกรุณาในข้าพระองค์และหมูสัตว์จงดำรงพระชนชีพต่อไปอีกเถิดอย่าเพิ่งด่วนปกรณิพานเลยกราบทูลเท่านี้แล้วพระอานน์ก็ไม่อาจทูลอะไรต่อไปอีกเพราะความโศกาดูนท่วงทนหะไทยอานน์เออยพระาศาสดาตรัสพร้อมด้วยทอดทัศนาการไปเบื้องพระพักยังสุดไกล ลีลาแห่งความเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนตรและพระภักเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตถาคตกลับใจตถาคตจะต้องปริบพตนในวันเพลนเดือนวิถาค่ะอีกสามเดือนข้างหน้านี้อานนนเราได้แสดงนิมิโอภาทยังแจมแจ้งแก่เธอพอเป็นนายยะมาไม่น้อยกว่าสิหกครั้งแล้วว่าคนอย่างเรานี้มีอธิบาทภาวนาที่ได้อบรมมาด้วยดี ถ้าประสงค์จะอยู่ถึงหนึ่งกับเพิ่มมากกว่านั้นก็พออยู่ได้แต่เธอหาเฉลียวใจไม่ไม่ได้ทูลเราเลยเราตั้งใจไว้ว่าในคราวก่นกอนๆนั้นถ้าเธอทูลให้เราอยู่ต่อไปเราจะห้ามที่สองครั้งพอเธอทูลครั้งที่สามเราจะรับอาราธนาของเธอแต่บัดนี้ชาเสียแล้วเรามิอาจกลับใจได้อีกพระศาสดาหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสต่อไปว่า อนนท์เธอยังจำได้ไหมครั้งหนึ่งหน้าภูเขาซึ่งมีลักษณะยอดเหมือนนกแรงอันมีนามว่าคิดชกูรภายใต้ภูเขานี้มีถ้ำอันชจรนามชื่อว่าสุก라ขาตาที่ถ้ำนี้เองสาวกผูเเ้เรื่องรือว่าเลือทางปัญญาของเราคือสารีบุตรได้ถอนตันหานุสัยโดยสิ้นเชิงเพียงพระฟังคำที่เราสนทนากับหลานชายของเธอเพื่อมีนามว่า ขีฆนาขะพวัยเล็บยาวเมื่อสารีบุตรมาบวชในสำนักของเราแล้วขีฆนาขะปริพาชกเที่ยวตามหาลุงข้างตนมาพบลุงของเขาคือสารีบุตรถาวายงานทัดเราอยู่จึงพูดเปลยเปื่อย เ, เป็นเชิงกระทบกระเทียบว่าพระโคดมทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไม่พอใจหมดซึ่งรวมความว่าเข้าให้พอใจเราด้วย พต้ตถาคตก็รวมอยู่ในคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ตอบเข้าไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ควรไม่พอใจความคิดเห็นอันนั้นของเธอเสด้วยอานนนเราได้แสดงธรรมอื่นอีกเป็นอเกกปริยายสารีบุตรถวายงานพัดไปฟังไปจนจิตของเธอหลุดพ้นจากอาสวะทั้งพวงอานนนเอยหน้าภูเขาพิจกรดดังกล่าวนี้ เราเคยพูดกับเธอว่าคนอย่างเรานี้ถ้าจะอยู่ต่อไปอีกหนึ่งกับหรือเกินกว่านั้นก็พอได้แต่เธอก็หาู้ความหมายแห่งคำที่เราพูดไม่อานน์ต่อมาที่โคตมะนิโครธที่เหวสำหรับทิ้งโจนที่ถ้ำสัตบัญใกล้เวพารบันพลดที่กาลศิลาข้างภูเขาอีสิคิลิซึ่งเรื่องลือมาจากโบราณการว่า เป็นที่อยู่อาศัยของพระปัจเจกับพุทธเจ้าเป็นอันมากซึ่งเมื่อท่านเข้าไปนที่นั้นแล้วไม่มีใครเห็นท่านออกมาอีกเลยจึงกล่าวขานกันว่าอิสิคริบันพลคือภูเขากลืนกินลูสีที่เงื้อมเขาชื่อสับปโสวนธิกาใกล้ป่าศรีตะวันที่ตะโปธารามที่เวลุวันสวนผายนนร่มรื่นของจอมเสนาแห่งแคว้นมาคด ที่สวนมะม่วงของหมอชีวกกรมารพัฒและที่มัชทากุฎฉีมิขทาทยวันทั้งสิบแห่งนี้อยู่ที่เขตแขวงราชครึกต่อมาเมื่อเราทิ้งราชครึกไปเบื้องหลังแล้วจาริบสู่เวสาลีนคร อ, อันรุ่งเรืองยิ่งเราก็ให้ในยายญาแก่เธออีกถึงหกแห่งคือที่อุเทนเจดีสัตตมพระเจดีโคตมกะเจดีพอหุบปุตตเจดี สารันทะเจดีและปาวาละเจดีเป็นแห่งสุดท้ายคือสถานที่ซึ่งเราอยู่นบนัดนี้แต่เธอก็หาเฉลียวใจไม่ทั้งนี้เป็นความบกพร่องของเธอเองเธอจะข้ามควรเอาอะไรอีกอานนท์เอ๋ยบัดนี้สังขารอันเป็นเหมือนเกวียนชมรุนนี้เราได้สละแล้วเรื่องที่จะดึงกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนั้นมใช่วิสัยแห่งตาาคตอานอนท์ เราไม่ได้ปลักปราเธอเธอเบาใจเถิดเธอได้ทำหน้าที่ของเธอดีที่สุดแล้วบัตรนี้เป็นการสมควรที่ตาาก็จะจากโลกนี้ไปแต่ยังเหลือเวลาอีกสามเดือนบัตรนี้สังขารของตาาก็เป็นเสมือนเรือรั่วคอยแต่เวลาจะจมลงสู่ท้องถานเท่านั้นอานนท์เราเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือ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 และแล้วพระกอมศาสดาก็เสด็จไปยังพันทุกขามและโพคณนครตามลำดับในระหว่างนั้นทรงให้โอวาทภิสูุทั้งหลายด้วยพระธรรมเทศนาอันเป็นไปเพื่อโลกุตระริยธรรมกล่าวคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะเป็นต้นว่าภิสูุทั้งหลายศีลเป็นพื้นฐาน เป็นที่รองรับคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ประหนึ่งแผ่นบินเป็นที่รองรับและตั้งลงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีพและหาชีพไม่ได้เป็นต้นว่าทกสารดาวันมหาสิงขรและศาสตตัวบทวิบากนานาช น, น, นิดบุคคลผู้มีศีลเป็นพื้นใจย่อมอยู่สบายมีความกลอดโรงเหมือนเรือนที่บุคคลปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อยปราศจากเลือดและฝุ่นเป็นที่รบกวน ภิกษุทั้งหลายศีลนี้เองเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิคือความสงบใจสมาธิที่มีศีลเป็นเรื่องต้นเป็นสมาธิที่มีผลมากมีอานิสงส์มากบุกคคลผู้มีสมาธิย่อมอยู่อย่างสงบเหมือนเรือนที่มีฝาผนังมีประตูนหน้าต่างปิดเปิดได้เรียบร้อยมีหลังคาสำหรับป้องกันลมแดดและฝนผู้อยู่ในเรือนเช่นนี้ฝนตกก็ไม่เปียก แดดออกก็ไม่ร้อนฉันใดบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิดีก็ฉันนั้นย่อมสงบอยู่ได้ไม่กระวนกระวายเมื่อลมแดดและฝนกล่าวคือโลกธรรมแผดเผากระพือพัดซัดสาดเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าสมาธิอย่างนี้ย่งมก่อให้เกิดปัญญาในการฟาดฟันย่ำยีและเชื้อเฉือนกิเลตอาสวะต่างๆให้เบาบางและหมดสิ้นไป เหมือนบุคคลผู้มีกำลังจับศาสตราอันคมกริบแล้วถางป่าให้โล่เตียนก็ปานกันภทกสูตรทั้งหลายปัญญาซึ่งมีสมาธิเป็นรากฐานนั้นย่อมปรากฏ ด, ดุดไฟดวงใหญ่กำจัดความมืดให้ปราศนาการไปมีแสงสว่างรุ่งเรืองอันไพขับฝุ่นละอองคือกิเลสให้ปลิวหายปัญญาจึงเป็นประดุดประชีพแห่งดวงใจอันวจิตนี้ เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสอยู่โดยปกติแต่เศร้าหมองไปพอรอะคลุกเคล้าด้วยกิเลสนานาชนิดศีล ส, สมาธิและปัญญาเป็นเครื่องฝอกจิตให้ขาวสะอาดดังเดิมจิตที่ฟอกแล้วด้วยศีลสมาธิและปัญญาย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะย่อมพบกับปีติปราโมทย์อันใหญ่หลวงรู้สึกตนว่า ได้พบขุมทรัพย์มาหาอะไรเปรียบไม่ได้เอิบอาบทราบซ่านด้วยธรรมตนของตนเองนั่นแลเป็นผู้รู้ว่าบัดนี้กี่เรีสานุสัยต่างๆได้สิ้นไปแล้วพบใหม่ไม่นีอีกแล้วเหมือนบุคคลผู้ตัดแขนขาดย่อมรู้ด้ตนเองว่าบัดนี้แขนของตนได้ขาดแล้วภิสู่ทั้งหลายบรรดาทางทั้งหลายมักมีองค์แปดประเสริฐที่สุด บรรดาบททั้งหลายบทสี่คืออริยสัจประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะคือการปราศจากความกำหนัดยินดีประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าพระตถาคตเจ้าผู้มีจักสูตประเสริฐที่สุดมรรคมีองค์แปดนี่แลเป็นไปเพื่อทัศนะอันบริสุทธิ์หาใช่ทางอื่นไม่เธอทั้งหลายจงเดินไปตามทางมรรคมีองค์แปดนี้ เป็นทางที่ทํามานให้หลงติดตามไม่ได้เธอทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติเพื่อทําทุกข์ให้สิ้นไปความเพียรพยายามเธอทั้งหลายต้องทําเองสถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นเมื่อปฏิบัติตนดังนี้พวกเธอจกพ้นจากมารและบ่วงแห่งมารที่สูตทั้งหลายความทุกข์ทั้งมวลมีมูลรากมาจากตัณหาอุปาทานความยานยนิยมทีนรน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 ไม่ลหลงไหลพัวพันมัวเมาเมื่อนั้นจิตก็จะว่างจากความยึดถือต่างๆปอดโปร่งจำใสเบิกบานอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่ามีสติอยู่ทุกเมื่อถอนอัตตานุทิปิคือความยึดมั่นถือมั่นเครื่องตัวตนเสียด้วยประการชน่นนี้เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวล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 การแสวงหาความสุขโดยปล่อยใจให้ไหลเรื่อนไปตามอารมณ์ที่ปราถนานั้นเป็นการลงทุนที่มีผลไม่คุ้มเหนื่อยเหมือนบุคคลลงทุนวิตน้ำในบึงใหญ่เพื่อต้องการปลาเล็กๆเพียงตัวเดียวมนุษย์ส่วนใหญ่มัวบุ้นวาอยู่กับเรื่องการเรื่องกินและเรื่องเกียดจะลืมนึกถึงสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถให้ความสุขแก่ตนได้ทุกเวลาสิ่งนั้นคือดวงจิตที่ผ่องแผ้ว เรื่องกามเป็นเรื่องที่ต้องยิ้นรนเรื่องกินเป็นเรื่องที่ต้องสแสวงหาและเรื่องเกียดเป็นเรื่องที่ต้องแบกไว้เมื่อมีเกียรติมากขึ้นภาระที่จะต้องแบกเกียดเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งของมนุษย์ผู้หลงตนว่าจเจริญแล้วในหมู่ชนที่เพ่งมองแต่ความจเจริญทางด้านวัตถุนั้นจิตใจของเขาเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยประสบความสงบเย็นเลยเขายินดีที่จะมอบตัว ให้โจมอยู่ในข่าวของโลกยังหลับหูหลับตาเขาพากันบ่นว่าหนักและเหน็ดเหนื่อยพร้อมๆกันนั้นเขาได้แบกก้อนหินวิ่งไปบนถนนให้ชีวิตอย่างไม่รู้จักวางภิกษุทั้งหลายคนในโลกส่วนใหญ่เต็มไปได้วยความกลับกลอกและหลอกลวงหาความจริงไม่ค่ยได้แม้แต่ในการนับถือศาสนาด้วยอาการดังกล่าวนี้โลกจึงเป็นเสมือนระมุมอยู่ในพิษไข่ อันเรื้อรังตลอดเวลาภายในอาคารเมื่อถือมาประดุดปราศาสแห่งกษัตริย์มีลมพัดเย็นสบายแต่สถานที่เหล่านั้นมักเต็มไปด้วยคนซึ่งมีจิตใจเร่าร้อนเป็นไฟอยู่เป็นอันมากภาวะอย่างนั้นจะมีความสุขสู้ผู้มีใจสงบอยู่โคนไม้ได้อย่างไรทิกสุทั้งหลายการแสวงหาทางออกอย่างพวกเธอนี้เป็นเรื่องประเสริฐแท้ การแก่งแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตนั้นในที่สุดทุกคนก็รู้เองว่าเหมือนแย่งกันเข้าไปสู่กองไฟซึ่งมีแต่ความรุ่มร้อนกระวนกระวายเสยนาบดีดื่มน้าด้วยผาชนะทองคากับคนจนๆดื่มน้าด้วยภาชนะที่ทาด้วยกะลามะพร้าวเมื่อมีความพอใจย่อมมีความสุขเท่ากันนี่เป็นข้อยืนยันว่าความสุขนั้น อยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสำคัญอย่างพวกเธออยู่ที่นี่มีแต่ความพอใจแม้กระท่อมจะมุงด้วยใบ ไ, ไม้ก็มีความสุขกว่าอยู่ในพระราชฐานอันโออาแน่นอนทีเดียวคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่คนใหญ่คนโตแต่เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของตนมีความสุขสงบเยือกเย็นปราศจากความร่าร้อนกวนกวายภิสูจทั้งหลาย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 แล้วจะประสบความสุขความเยือกเย็นขึ้นมากเหมือนคนลดไายได้มากเท่าใดความสบายกายก็มีมากขึ้นเท่านั้นภิกษุ์ทั้งหลายทําไมมนุษย์จึงยอมตัวอยู่ภายใต้การจองจาของสังคมซึ่งมีแต่ความหลอกหลอนสับับและแปรผันทําไมมนุษย์จึงยอมตัวเป็นทาสของสังคมจนแทบจะกระดิกะเรียตัวไม่ได้จะทาอะไรจะคิดอะไร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 คงเหลือแต่เรื่องการและเรื่องกินนักพรตอย่างพวกเธอนี้ตัดไปได้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการคงเหลือแต่เรื่องกินอย่างเดียวปลดภาระไปได้อีงมากแต่การกินอย่างนักพรตกับการกินของผู้บริโภคการก็ดูเหมือนจะบริโภคแตกต่างกันอยู่ผู้บริโภคกามและยังหนาแน่นอยู่ด้วยโลกีวิสัยบริโภคเพื่อยุกามให้กำเริบจะต้องกินอย่างมีเกียรติกินให้สมเกียรติ มีใช่กินเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้อย่างสมณนนะความจริงร่างกายของคนเราไม่ได้ต้องการอาหารอะไรมากนักเมื่อหิวร่างกายก็ต้องการอาหารเพียงเพื่อบำบัดความหิวเท่านั้นแต่เมื่อมีเขียดเข้ามาบวกด้วยจึงกลายเป็นเรื่องกินอย่างมีเขียดและแล้วก็มีภาระตามมาอย่างหนักหน่วงคนจํานวนมากเมื่อเรื่องนี้ แต่จาต้องทำเหมือนโคหรือควายซึ่งเหนื่อยหน่ายตอแอกและไถแต่จําใจต้องลากมันไปลากมันไปอนิจจาภิกษุทั้งหลายการคลองเรือนเป็นเรื่องยากเรือนที่คลองไม่ดีย่อมก่อทุกข์ให้มากหลายการอยู่ร่วมกับคนพานเป็นความทุกข์อย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายเครื่องจองจําที่ทําด้วยเชือกเหล็กหรือโซ่ตัวใดวๆเราไม่กล่าวว่า เป็นเครื่องจองจําที่แข็งแรงคนทามเลยแต่เครื่องจองจําคือบุตรพัญญาทรัพย์สมบัตินี่แหละตรึงรัดมัดผูกสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพอันไม่มีที่สิ้นสุดเครื่องผูกที่ผูกหย่อนหย่อนแต่แก้ได้ยากคือบุตรพัญญาและทรัพย์สมบัตินี่เองรูปเสียงกลิ่นรสและโผลถั่วพานั้นเป็นเหยื่อของโลกเมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูปเป็นต้นนั้นก็จะพ้นจากโลกนี้ได้เลย ไม่มีรูปใดที่จะรัดตรึงใจของบุรุษได้มากเท่ารูปแห่งสตรีภิกษุทั้งหลายผู้ยังตัดอาลัยในสตรีไม่ได้ย่จะต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ร่ำไปแม้สตรีก็เช่นเดียวกันถ้ายังตัดอาลัยในบุรุษไม่ได้ย่อมประสบทุกข์บ่อยๆกิเลส น, นั้นมีอำนาจควบคุมอยู่โดยทั่วไม่เลือกว่าในวัยใดละเพศใดภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ผู้หลงไหลยอยู่ในโลกิยารมผู้เพลินอยู่ในความบรรเทิงสุขอันสืบเนื่องมาจากความมืนเมาในทรัพย์สมบัติชาตระกูลความหรูหราฟุ่มเฟือยยศศักดิ์และเกียรติอันจอมปลอมในสังคมที่อยู่อาศัยอันสวยงามอาหารและเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ต้องใสอำนาจและความทะนงตนทั้งหมดนี้ทำให้บุคคลมีในตาฝ้าฟาง มองไม่เห็นความงามของพระศัทธรรมความเมาในอำนาจเป็นแรงผลักดันที่มีพลังมากพอให้คนทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มีอำนาจยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นพร้อมๆกันนั้นมันทําให้เข้าเลื่อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่แยแสต่อเสียงเรียกร้องของศิลธรรมหรือมโนธรรมใดๆมันค่อยๆระบายจิตใจของเขาให้ดํามืดไปทีละน้อยๆจนเป็นสีหมึก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 ศิลธรรมเป็นเครื่องคำจุนสังคมและคุ้มครองโลกแต่บุคคลผู้รับรู้และพยายามประคับประคองศิลธรรมมีน้อยเกินไปสังคมมนุษย์ยึงวุ่นวายและกรอบเกลี่ยอย่างน่าวิตกภิสูจนทั้งหลายกลิ่นดอกไม้กลิ่นจันทร์ไม่สามารถหอมหวนทวนลมได้แต่กลิ่นทางเกียรติคุณความดีงามของสัตว์รหุษนั้นแลสามารถจะหอมไปได้ทั้งตามลมและทวนลม คนดีย่อมมีเกียรติคุณฟุ้งขอจรไปได้ทั่วทุกทิศกลิ่นจันแดงกลิ่นอุบลกลิ่นดอกมาลิจัดว่าเป็นดอกไม้กิ่นหอมแต่ยังสู้กลิ่นศีลไม่ได้กลิ่นศีลยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นทั้งมวลพิกษุทั้งหลายถ้าพิกษุหวังจะให้เป็นที่รักที่เคารพนับถือเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีแล้วซึ่งเป็นผู้ทําตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลเถิดพิสุทั้งหลาย